เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อสุนักสมัยนั้นในคราวข้าวยากหมากแพงคนทั้งหลายพากันกินเนื้อสุนักได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุจึงฉันเนื้อสุนักคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าชไหนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงฉันเนื้อสุนักเล่า